บทที่ 8. ดูดาวขณะอยู่ในรถระหว่างทางกลับบ้านฝ่ายหนึ่งเงียบอยู่กับความสุขเย็นแบบคนอิ่มบุญส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเงียบอยู่กับความคำหนึ่งเคร่งเครียดช่างเป็นความเงียบที่แตกต่างและก่อบรรยากาศขัดแยง้งขอบใจอีกครั้งนะที่พาพี่มาในวันนี้ลานดาวเงียบอึ้งอยู่เป็นครู่ก่อนตอบรับด้วยน้ำเสียงทอดอ่อนเหนื่อยนายสะท้อนจิตใจที่มัวมนค่ะมาวันทากับพลิบตาสองครั้งทราบดีว่าลานดาวเห็นความแม่นยำของหมอดูอุปการะแล้วถอดใจ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเลิกต้านคําทํานายย่อมกลายเป็นความกัดกลุ้มแทนเพราะแทบเปรียบอุปการะเป็นผู้รายงานข่าวเขาก็บอกข่าวร้ายจากอนาคตให้กับลานดาวเต็มๆทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เหมือนเกิดไปแล้วให้พี่พูดอย่างใจเธอนะพี่ไม่เชื่อว่าจะจะถูกใครหักอกได้หรอกมันน่าจะเป็นว่าเราอาจต้องใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้สักพักพอพยายามปลอบมาวันทาก็สํานึกว่าทําได้แค่ครึ่งๆกลางๆเท่านั้น ประการแรกบัดนี้ตนเริ่มเทใจเชื่อถือเคารพศรัทธาหมอดูอุปการะเป็นครูจะให้กล่าวในเชิงปรามาสลบหลูคําทํานายของท่านก็ไม่เป็นการบังควรประการที่สองหล่อนสําเนียกถึงความแข็งขืนในลานดาวซึ่งยามนี้กําลังกลัวมากกว่าอย่างอื่นและความกลัวของลานดาวก็ฉายออกมาในรูปแบบของคําพูดปฏิเสธดื้อแพง่งจะไม่เชื่ออยู่ดีนะพี่เอิญหัวเด็ดตินขาดก็ไม่เชื่อเลยคนที่จะทําให้จ้าเจ็บเป็นรายแรกนะ่ะ หมออุปการะบอกว่ารู้จักกันแล้วผิวขาวไว้ผมยาวสูงไล่เลียง ก, กันซึ่งลักษณะนั้นมีคนเดียวคืออิตาบ้าใกล้บ้านต้องให้ยักษ์ขมูขีตัวไหนเข้าสิ่งจ้านั่นแหละถึงทำให้เราตาบอดไปหลงรักได้จ้าเกลียดผู้ชายผมยาวอย่างกับอะไรดีแล้วอีกอย่างจ้าเคยนับถือเขาเหมือนพี่ชายแท้ๆแต่กลับมาสารภาพรักเราทำให้จ้ามีประสบการณ์ขยะขยงโกรธเกลียดผู้ชายเข้ากระดูกเป็นครั้งแรก แถมวันก่อนเพิ่งเจอหน้าเขาก็ยังดูเป็นตัวตลกสําหรับจ้าอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ต่อให้หมอดูของพี่เอินเคยมีผลงานท่ายเลขสลากรางวัลที่หนึ่งถูกหมดทุกตัวจ้าก็ไม่เชื่อคําทํานายข้อนี้ของเขาหรอกมาวันทาอึกอักอา้าวกลายเป็นหมอดูของพี่ไปเสียแล้วจ้าเป็นคนพาพี่มาเองแท้ๆหล่อนพยายามพูดล้วงหัวเราะแต่ฟังกล่อยและเจือนจืดชอบนกนจ้าพามาไม่นึกนึกขาว่าจะได้เห็นเขาเป็นฝ่ายถูกจ้าอยากเห็นเขาพูดอะไรผิดผิดให้สบายใจต่างหาก นี่เหมือนมาให้ตอกย้ำว่าน่าอย่างจ๊ะดีที่สุดก็ได้แค่อิตาบ้าใกล้บ้านจริงๆนั่นแหละล้านดาวเผยใต้ด้วยความโมโหโแต่เมื่อรู้สึกตัวก็รีบแก้แต่ใจจริงจ๊ะอยากเป็นคนพาพี่เอิญมาไขาปัญหามากกว่าเหตุผลอื่นนะคะตอนแรกยังกะจะปลีกตัวไปเดินเล่นด้วยซ้ําจ๊ะเข้าใจและขอบใจบอกแล้วก็ขยับตัวผ่อนคลายความอึดอัดเล็กน้อยการดูหมอนี่มีทั้งคุณและโทษจริงๆนะขึ้นอยู่กับว่าดูเรื่องอะไรและได้คําทํานายมาอย่างไร เรื่องคู่รักคู่ใครนี่จะดูแบบเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้หรือใครๆเขาก็ดูเอาสนุกกันทั้งนั้นทําไมถึงต้องซีเรียสขนาดนี้ด้วยละ่ะคาพูดของมาวันทาคล้ายกระทุงให้บางปมสแสดงตัวออกมาเป็นครั้งแรกที่ลานดาวถามตนเองว่าทําไมหล่อนต้องเอาจริงเอาจังนักปล่อยให้คำทำนายกัดกินใจแทบตลอดเวลาถึงอย่างนี้คําตอบคล้ายปรากฏอยู่รําไรผู้ชายดีๆเรียงหน้ามาให้เลือกทั้งโลกแต่หล่อนไม่พบใครสักคนนั่นทําให้ส่วนลึกของใจหวั่นกลัวมาตลอด กลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปหรือไม่ก็จําต้องกัดฟันเลือกใครสักคนที่ทําให้เสียความรู้สึกน้อยที่สุดหาใช่เจ้าชายในฝันดังวาดไว้ในจินตนาการไม่เกือบลืมไปแล้วว่าเหตุใดหล่อนจึงมีความปรารถนาที่จะพบรักแท้อย่างรุนแรงรักชนิดที่ศบตา ก, กันแล้วลืมได้ทุกสิ่งเหลือเพียงแรงดึงดูดแสนหวานระหว่างกันอยากรู้จักความรู้สึกชนิดนั้นอยากดื่มดํากับมันเคยเห็นจากในตาหญิงอื่นที่มีต่อคนรักแล้วเวทนาตนเองทําตนเองเสมอว่า ไม่มีความสามารถแม้จะรักผู้ชายสักคนเชียวหรือหมอดูอุปการะแช่งให้หล่อนเจอคู่ตอนใกล้40บหล่อนจดจำหมอดูคนนี้ไว้เพียงเท่านั้นจะไม่ได้สีเรียดพูดเสร็จก็ตรหนักว่าตนใช้เสียงเครียดเต็มๆในการกล่าวจึงผ่อนให้อ่อนลงจนฟังน่าสงสารขอโทษนะคะพี่เอิญที่ทําให้พลอยต้องมาอึอดอัดจะเป็นบ้าอะไรของจ้าก็ไม่รู้ถ้าย้อนเวลากลับได้จ้าจะไม่ไปดูหมอให้คิดมากอย่างนี้เลยมาวันทาเอื้อมือไปไล่เส้นผมผู้เป็นน้องอย่างถนอม น้องรักเธอจะมีพี่สาวไว้ทําไมถ้าระบายอะไรให้ฝั่งไม่ได้ขอให้ช่วยยืนอยู่ข้างเธอไม่ได้ยังไงเสียตอนนี้เราก็ฟังคําทํานายมาแล้วไม่อาจลบออกจากความจําแล้วคราวนี้ก็คิดดีกว่าว่าจะใช้ประโยชน์จากคําทํานายอย่างไรลานดาวยิ้มเกลี่ยมจ้าอยากชนกับคําทํานายเหมือนกันค่ะเอาตัวเข้าไปเล่นกับไฟดูคนที่หมออุปการะทําทนายไว้ชื่อออฟดูสิว่าเขาจะทําให้จ้าลงไหลหัวปักหัวปําจนถึงกับต้องอกหักในภายหลังได้ไหม จะจะไปเสนอหน้ากฎอ ด, อดบ้านมันทุกเย็ยนเลยแล้วกันมาวันทาเลื่อนมือไ ป, ปลูบกระหม่อมของน้องด้วยผัสสปปะปรโลมยิ่งท้าทายทำไมปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายและแสดงตัวของมันเองไม่ดีกว่าหรือลองดูว่าระยะนี้มีเหตุให้เขามาพัวพันกับเราไหมถ้าหากมีก็แปลว่าเข้าเขาควรเร่งระวังตัวรักษาใจแต่หากไม่มีก็ลืมลืมเสียจะเป็นไรระหว่างคําทํานายกับเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงย่อมน่าเชื่อถือกว่าคําทํานายนี่นา ฟังคาทำนายไว้รอเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงด้วยใจเป็นกลางดีกว่าถ้าตรงกันก็แปลว่าเรามีเวลาเตรียมใจไว้ก่อนแต่หากผิดเพี้ยนไปก็แปลว่าเราไม่ต้องเสียเวลากลุ้มเปล่าล่วงหน้าเป็นอีกครั้งที่จิตใจลานดาวสงบลงได้เพราะคำพูดน้ําเสียงและสัมผัสอัอ่อนโยนดุจมันดาของมาวันทาค่ะหมออุปการะบอกว่าจะจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรภายในไม่กี่วันงั้นจ้าจะสงบใจรอดูต้องอย่างนั้นคิดแล้วก็ดีเหมือนกันนะ ตั้งกาดไว้บ้างถึงเวลาใครชกมากระทันหันจะได้ป้องกันตัวทันข่าบพี่เอิญจ๊าจะระวังแล้วหล่อนก็หันมายิ้มยิงฟันให้มาวันทาแวบหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้จ๊าจะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนไหนจะระวังตัวแจปิดล็อกประตูใจหมดทุกบ้านแล้วมาคลุกอยู่กับพี่เอิญคนเดียวอนุญาตไหมคะแพทยสาหวหัวเราะอนุญาตเยพอถึงบ้านมาวันทาทำแซนวิชให้ตนและน้องสาวทานง่ายๆแล้วนั่งคุยเล่นครูใหญ่ ก่อนจะมีการเรียนการสอนฟลุ ต, ตกันท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและหลายเครียดกระทั่งคนเป็นนักเรียนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจึงขอตัวกลับเดินออกมานอกบ้านก่อนจะถึงรถลานดาวแหงนมองท้องฟ้าเห็นเหมือนผืนกมัมยี่ดำที่ถูกโปรยด้วยเกล็ดเพชรระยิบระยับ<ม>ก็แย้มริมฝีปากเหยีดยิ้มจนสุดความทุกข์ทางใจทั้งปวงมาลายสิน้นเหลือไว้แต่ห้วงเวลาแห่งความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งตลอดพี่เอิญว่าไหมคนเราจะเห็นดาวสวยเป็นพิเศษตอนกำลังมีความสุข เวลาเป็นสุขทุกสิ่งที่เราเห็นก็สวยไปหมดแหละเพราะใจมันสวยเสียก่อนเห็นแล้วนี่อะจริงแฮตอนนี้จะรู้สึกว่าตัวเองสวยกว่าทุกวันไม่รู้เป็นไงลานดาวพูดเหมือนติดตลกแต่นั่นกําลังเป็นสิ่งที่คิดอยู่จริงๆความสุขกายสบายใจทําให้คนเราผ่องใสและสะสวยหล่อนเพิ่งคนพบว่าตนเป็นสุขอยู่กับใครได้มากที่สุดฉะนั้นต่อให้อกหักจากชายหรือไรคู่อย่างถาวรขอเพียงมีพี่สาวแสนดีนี้เพียงคนเดียวความอบอุ่นใจก็คงอยู่ และเผลอๆจะดีกว่าความอบอุ่นที่ได้รับจากชายคนรักพอรักแบบหญิงชายนั้นมักมีมนทินมีความสกรปรกเจืออยู่อาจเลื่อนเปื้อนเลอะเลือนไปเป็นอื่นได้ตลอดเวลาต่างจากรักแบบพี่น้องที่สะอาดใสและรู้ว่าจะมั่นคงทนนานตราบเท่าที่ยังมีใจเอื้ออาทรบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นเดินทอดน้องเชื่องช้ามาเปิดประตูรถบรรจงวางกล่องฟลูลงบนเบาะข้างคนขับ เลียวน่าจะยกมือไหว้ร่ำลาพี่สาวแต่ช้รอยอากาศฉ่าเย็นชวนอะไรทำให้ลานดาวอยากยืนอ้อยอิ่งเกาะขอบประตูชวนมาวันทาคุยต่ออีกหน่อยพี่อ่องกลับวันไหนคะคงมาถึงบ้านเราหกโมงเย็นพรุ่งนี้อ้อหญิงสาวเหลือบตาลงต่ํจาจะคงไม่กล้าเสนอหน้ามาคลุกกับพี่เอินก่อนพี่อ่องอยู่ทําไมล่ะพี่อ่องต้องชอบใจแน่ๆมีขาบันเลงเพิ่มไม่เอาหรอกรบกวนสามีภรรยาอยากจูจีกันจูจ่ๆเหมือนมีตัวอะไรโผลมาแทรก มาวันทาหัวเราะทั้งขำทั้งเอ็นดูแทรกเซิร์กอะไรมีกันแค่สองคนเบื่อจะตายพี่เอินเบื่อแต่พี่อ่องอาจจะกำลังสนุกนี่คะครึ่งปียังถือว่าเข้าใหม่ปลามันแพทสาวหน้าแดงอยู่ในเงาสลัวตีแขนอีกฝ่ายเพี้ยพูดจาเข้านะเฮอลานดาวถอนใจเฮือกใหญ่ประสานท่อนแขนกับขอบประตูวางคางลงช้อนตาชำเ ล, ลืองแลจุดดาวที่กาลังแข่งประกายพลายแพลเงามืดของฟ้าราตรี บรรดาฝันล้ำลึกให้มนุษย์ทั้งโลกเกิดความปรารถนานานับประการหล่อนเคยระเริงหลงไปกับคลื่นจินตนาการระลอกแล้วระลอกเล่าไม่เคยเลยที่อารมณ์จะหยุดค้างเฉยเฉยยามลงนั่งนอนเป็นเพื่อนหมู่ดาวแต่ว่าคืนนี้แปลกดูเหมือนอาจเป็นวาระแรกในคืนฟ้าโปร่งดาระดาษ ด, ดาวที่อารมณ์หล่อนนิ่งคล้ายความฝันกับความจริงมาบรรจบกันที่จุดอิ่มตัวจุดหนึ่งรอบกายและภายในจิตใจดุจผสานกลมกลืนกันสนิทไม่จำเป็นต้องเหนื่อยวิ่งไล่ตามเงาจินตนาการไร้จุดจบของตนอีกต่อไป ดวงดาวเป็นได้สารพัดเลยนะพี่เอิญมองเป็นความวิจิตเหมือนสวรรค์ก็ได้ถ้าเชื่อจินตนาการตัวเองหรือมองเป็นพลังอำนาจที่ครอบงำเราอยู่ก็ถูกถ้าเชื่อโหราศาสตร์มาวันทางแหงนมองตามสายลมดึกรําเผยพัดผ่านมาระลอกหนึ่งกระทบผิวเยือกหนาวจนต้องยกมือกอดอกเท่าที่พี่รู้สึกก็คือเราเป็นได้เพียงดวงตาคู่เล็กๆที่มองขึ้นไปด้วยความไม่รู้อะไรเลยลานดาวทอดตาจับความแวววาวของดาวที่กําลังทอแสงสุกสกาวดวงหนึ่ง บางทีจ้าเพ่งมองมากๆแล้วงงเหมือนหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งชนิดที่คลายกระโดดข้ามโลกออกไปเห็นดาราจากในห้วงจั ก, กรวาลพี่เอินเคยเป็นไหมแบบว่าเพ่งอะไรนานๆแล้วเกิดภาพหลอนขึ้นมาอืมเท่าที่นึกออกน่าจะไม่เคยนะแล้วจ้าเห็นยังไงเมื่อไร่หรอหลายปีแล้วค่ะกําลังดูดาวแล้วเกิดแรงบันดาลใจแต่งเพลงขึ้นมาเลยนั่งอมยิ้มจ้องอยู่เป็นชั่วโมงจ้องไปจ้องมาหนวยตาเปิดกว้างค้างเห็นโครงฟ้าขยายใหญ่ขึ้น แล้วอยู่ๆก็เกิดทะลุพลัวออกไปภาพอื่นหายหมดกลายเป็นจักรวาลขนาดยักษ์ที่มืดมิดรอบด้านมองเคว้งๆมีกระจุกดาวใกล้ไกลเรากับตัวเราไปอยู่ใจกลางจักรวาลแต่ก็แค่แบบเดียวนะคะเหมือนเราร่วงวูบจมลงในมหาสมุทรแล้วถูกดีดให้ทะลึ่งพรวดกลับขึ้นมาตอนนั้นตกใจแทบช็อกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทําได้อีกหรือเปล่าเคยลองเหมือนกันค่ะแต่พอใกล้จะนิ่งแล้วกลัวเพราะยังจําฝั่งใจว่าไม่เคยเห็นอะไรทั้งใหญ่มโหฬาร ทั้งมือสนิทเงียบลึกขนาดนั้นมาก่อนอาจเป็นเรื่องประเภทพลังจิตถอดวิญญาณอะไรเทือกนั้นมั้งเคยได้ยินว่ามีคนฝึกถอดจิตไปดูเอกภพกันเป็นว่าเล่นว่าแต่เมื่อกี้เห็นบอกแต่งเพลงเองด้วยเหรอม่เห็นเคยร้องให้ฟังมั้งก็ไม่มีใครข อ, อนี่คะไม่อยากเป็นคลองที่จู่ๆดังงงางขึ้นมาเองอะตอนนี้ขอละเอาเพลงที่ตอนนั้นแต่งแล้วถอดจิตไปดูจักรวาลได้นะ่ะ ลานดาวทำตัวของ่ายหับปิดประตูรถคืนที่ทันทีแล้วจูงมือพี่สาวมากลางสนามหย่อนกายลงบนม้านั่งเอนหลังพิงพนักมองดูดาวคู่กันระหว่างฟังช่วยทำตาเหมือนกำลังอธิฐานขอพรจากฟ้าด้วยนะคะขอว่าอะไรข้อ 1. ขอให้นักร้องจงจำเนื้อที่ตัวเองแต่งได้ครบข้อ 2. ขอให้เสียงของนักร้องอย่าได้พลาดเพี้ยนไปข้อ 3. เออขอให้ได้ฟังเพลงจนจบโดยสวัสดีอย่าต้องเด้งดึงเพราะวัตถุลึกลับจากเพื่อนบ้านแต่ประการใดเลย มาวันธาเม้มปากหัวรอกิกตกลงจะอธิฐานตามนั้นว่าแต่ชื่อเพลงอะไรเพื่อจําไว้ขออีกอีอีมันก็แค่ชื่อเพลงต้องทํากระมิดกระเมียนด้วยลานดาวยิ้มยิงฟันส่งแววไรมุกขาวในเงามืดพลางเอานิ้วชี้จิ้มอกเพลงนี้แบบว่ามุกชมตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจละ่ะเพลงลานดาวเริ่มร้องได้แล้วศิลปินสาวหัวเราะในความหัวไวของอีกฝ่ายก็แอมนิดหนึ่งสูดลมหายใจด้วยความสดชื่น การฝึกเป่าฟลุตเมื่อครูทำให้เริ่มขับพลังเสียงเปล่งคำร้องออกมาได้คมชัดกว่าปกติซึ้งเพลินดูลานดาวดังข่ายเพชรพลาวพล่างโรยแพร่อ่อนระยิบหยอกหลอกย้อนในตาที่หลังคาแผนฟ้าอำมภัยจิตใจะวงแนบแสงเย็นทอตรการประดุดวิมานเทวาเมืองใหญ่ดาวทุกดวงสุขใสวับแววสาดแสงแพรวหลากชั้นประกายรอบเรียงรายดูเหมือนใครไปแกล้งโปรยโรยให้คนได้ชื่นชม ความระทมทุกหมดไปหากได้ยินดาวทุกดวงกระซิบ ป, ปลอบหอบพัดพากังวลไกลในหัวใจกลับอ่อนโยนด้วยความปราณีแห่งสวงราตรีรานดาวราวกับมุกดาชาวฟ้าดานดลรอยยิ้มสุขเปี่ยมล้นบรญเจิดดูคล้ายเปิดแผ่สายไมตรีอบอุ่นยินดีในสีสวยงามเรืองรองเฝ้ายืนแง้มมองเนิ่นานานนับปีมิหยุดทุกคืนนับดาวเหล่านี้อยากมีสักดวงไว้เก็บเอาไว้ แสงแววตาลานดาวคล้ายดังเป็นเงาแทนใครสักคนอยู่ที่นั้นฟ้าไกลข้างบนฝั่งฟากโน้นเมืองแมนสวรรค์ลานดาวเกลี่ยฟากฟ้าด้วยทาราแห่งความฝันใยป่ายปีนบันไดนิทราขึ้นไปแล้วเหยียดปลายนิ้วไล้ทุกส่วนในแสงดาวลมแผ่วเบาคงเพียงพอที่แสงและอ่อจะจารึกสนิทแนบนานเท่านานลานดาวเปล่งคาได้แช่มชัดแปลเสียงสูงต่ำได้หลากรูปวิธี หลงลูกคอได้หวานพลิ้วมีอนุภาพพอจะสะกดใครก็ตามในละแวกใกล้ให้เงีย่ยสะดับฟังคลื่นกระทบโสดอันโดดเด่นท่ามกลางความสงัดแห่งค่ำคืนด้วยอาการตะลึงนิ่งเสียงสูงสั่งลาสุดท้ายของเพลงลากยาวบาดซึ้งไปถึงขั้วหัวใจมาวันทาปลือตาฟังเพลินนอกจากการใช้ภาษาพรรณนามนขลังอลังการแห่งราตรีแล้วทานองเพลงยังจูงอารมณ์ให้เห็นเงาลีลับแห่งมายารติการได้ ลานดาวแผลงสอนเสน่ห์ได้หลากหลายวิธีทั้งก่ออักขระเร้าไฟฝันดื่มดำทั้งรังสรรค์ลำนำเพลาะพลิพลงทั้งขับกล่อมให้คนฟังหลงเคลิมเรากับเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ดลจินตนาการโดยเฉพาะต้องทึ่งแล้วทึ่งอีกในหลักคุณสมบัติอันเหลือเชื่อที่มารวมอยู่ในตัวคนเดียวมาวันทาเหมือดซึมลงเล็กน้อยนึกสงสารน้องขึ้นมาเฉยๆแค่สวยจัดและรวยจัดไม่พอยังเก่งจัดถึงปานนี้อีกชายที่จะมาเป็นคนรักต้องเลิเลิศปานใดเล่าจึงคู่ควร ถ้าเชื่อว่าทุกคนกำลังเล่นเกมบุญทำกรรมแต่งในปางก่อนลานดาวคงต้องสั่งสมบุญครบทุกด้านเข้าขั้นเห็นการบุญเป็นงานอดิเรกและแต่ละด้านต้องเข้าขั้นอุกฤษทีเดียวถ้าเป็นนักปีนเขาแบบนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงเกินใครมองไปโดยรอบอาร์เทนทิวทัตลงกว้างตรการตามมากขึ้นเรื่อยๆรืทว่าขณะเดียวกันก็ยิ่งโดดเดี่ยวอ้างวางยิ่งขึ้นทุกทีเพราะห่างไกลจากชุมชนคนเดินดินจนสุดกู่หากมองโลกตามจริงด้วยตาเปล่าในปัจจุบัน ยากนักที่จะเจอใครขยันสั่งสมบุญทุกด้านต่อให้เห็นว่าเป็นคนดีก็มักดีด้านหนึ่งแล้วเสียอีกด้านหนึ่งกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเมื่อปัจจุบันแนวโน้มเป็นเช่นนี้อดีตก็น่าจะเป็นเช่นนี้ด้วยดังนั้นโลกจึงมีคนเสวยบุญเก่าชนิดเพียบพร้อมทุกด้านเพียงน้อยเท่านั้นและนั่นแปลว่าคงควานหาใครเสมอกับลานดาวได้ยากเย็นเต็มทนเว้นแต่สร้างสมเพื่อความสมบูรณ์แบบสุดขีดร่วมกันมาค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าปักใจเชื่อแบบขาดเหตุผลสนับสนุน ถึกทักว่าลานดาวมีคู่สร้างคู่บุญบารมีความไม่รู้อันเป็นสมบัติธรรมดาของมนุษย์ก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาอีกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเจอหากเป็นไปตามคําทํานายของหมอดูอุปการะกว่าลานดาวจะพบเนื้อคู่แท้จริงก็เมื่อใกล้40เข้าไปโน่นก็แปลว่าบุญระหว่างการคงพล่องอะไรบางอย่างหรืออาจมีบาปมาแทรกแซงจึงไม่มีจังหวะโคจรมาพบเสียตั้งแต่วัยเยาวลดทั้งโอกาสเสพสุขและโอกาสต่อบุญร่วมกันไปมากต้องทนเหงาตามลําพัง หรือทนอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่แท้เสียเนิ่นนานมาวันธามองเสี่ยวจันทร์นึกถึงคําพูดของตนเองเมื่อครู่หล่อนเป็นเพียงดวงตาคู่เล็กๆที่มองธรรมชาติเบื้องบนด้วยความไม่รู้อะไรเลยความไม่รู้นั้นก็เป็นเงาติดตามไปเสมอเมื่อสอดตามองเรื่องคู่คลองเรื่องกรรมวิบากเรื่องภพชาติกรรมเก่าลิขิตตาไว้อย่างไรเปิดช่องให้ทํากรรมใหม่ในปัจจุบันเพื่อไปสวยผลเบื้องหน้าท่าไหนล้วนเป็นที่ไม่รู้ทั้งสิ้น ก้ ม, มองพื้นหล่อนเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่อึดอัดกับความไม่รู้มานานการพบกับโหราจารย์ผู้รู้เห็นทะลุทะลวงความลี้ลับต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์เช่นอุปการะในวันนี้ทําให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างใหญ่ที่จะเอาชนะความไม่รู้ต่างๆเสียทีมีความเชื่อมั่นก่อตัวขึ้นมาเงียบๆว่าอุปการะจะเป็นครูผู้ชี้ทางให้หล่อนได้ลานดาวเหลียวมองพี่สาวงงๆง g a ตบมือก็ไม่ตบแถมทําหน้าจ่อยใส่พื้นดินอีกเป็นอะไรเจ๊ พอถูกทักมาวันทาก็ออกจากห่วงคิดคำหนึงส่วนตัวกำลังนึกถึงนิทานอาหรับราตรียินเพียงเท่านั้นนักร้องประจําค่ําคืนก็หัวเ ร, ราะราด้วยรู้ว่านั่นเป็นคําชมทางอ้อมนะคืนนี้ขาดแค่พรมวิเศษกับระเบำแขกเท่านั้นแหละเอาไหมเดี๋ยวเรามาเต้นระเบำแขกอวดดาวกันพูดจบก็ทําท่าขึงขังยกคอซ้ายขวายืนหน้ายืนตาเหมือนนางระเบำแขกใบหน้าของลานดาวในเงาสลัวตลกขนองหน้าเอ็นดูจนมาวันทาต้องหัวเราะขำ ชีวิตเธอนี่มีแต่ความรื่นรมจริงๆนะโลกนี้คืองานเลี้ยงและส่วนสนุกจะมัวซึมเศาอยู่ใหญ่เล่าพี่ท่านก็ไม่ได้ซึมแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยบ้างเธอจะให้พี่จอบเป็นนกแก้วนกขุนทองอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงแล้วแพทย์สาวก็ทอดตาไปทางอื่นลานดาวทำตาโตเป็นไข่หา่านจ้องหน้ามาวันทาค้างนิ่งแบบจงใจรบกวนด้วยกระแสตาจนฝ่ายนั้นทนไม่ไหวต้องเหลียวกลับมามองจนได้มองอาละ่ะทั้งที่ตัวเองจ้องเขาก่อนแต่ก็ถามหาเรื่องเสียอย่างนั้น มาวันทาเห็นลานดาวทำชูคอเบ่งตาเหมือนตัวการ์ตูนจำพวกโดนนันดักอย่างจะยั่วให้เส้นตื้นก็จ้องตอบนิ่งๆแบบลองดูกันว่าใครจะหัวเราะก่อนถือว่าแพ้นางเกือบครึ่งนาทีก็เป็นฝ่ายปลาชัยเพราะทนนิ่งไม่ได้เท่าน้องลานดาวเห็นที่สาวหัวเราะก็เหาะสำน้าตายอีกหน่อยต้องเก็บค่าขำเส้นตื้นเหลือเกินยั่วนิดยั่วหน่อยขำไม่หยุดดูซิเอาเข้าไปเธอนี่จริงๆเลยผลักหล่คนนั่งข้างแก้เกิร์หลังจากหัวเราะซาลง ลานดาวปลายตาแลคนผลักหน่อยหนึ่งยิ้มมุมปากและเอาแขนคล้องแขนอีกฝ่ายทอดมองเบื้องบนอย่างไรจุดหมายใครจะอาศัยดวงดาวคำนวณได้ไหมว่านาทีนี้เป็นเลิกแห่งความสำราญหรือเปล่ามาวันทาบีบมือน้องซึมซับสัมผัสอันละเมียดละไมทั้งทางกายและใจดาวสีหรือดาวกาลิกินีของใครจะทำหน้าที่อย่างไรบนฟ้าคงไม่สำคัญกว่าที่เราทำต่อกันอย่างไรบนดินนี้มั้งลานดาวตรองตามชั่วขณะหนึ่ง หลอนเห็นตนเองและมาวันทาเป็นสองตัวละครในโลกใบใหญ่หากดวงดาวเป็นผู้จัดฉากพวกหล่อนก็กำลังเป็นตัวแสดงที่มีสิทธิ์เลือกเขียนบทกันเองตอบโต้กับฉากและสถานการณ์ต่างๆหลัดเดียวเข้าตรอกแยกซอยย่อยได้ด้วยความสมัครใจของตนเองจริงเนาะคงไม่มีดาวดวงไหนที่ให้พี่เอิญหัวเราะมีความสุขได้อย่างจะหรอกมาวันทาหัวเราะในลําคอสําหรับหมอดูโหราศาสตร์อาจบอกว่าอิทธิพลของตําแหน่งดาวให้พลังทางด้านการบันเทิงกับจะมาอย่างล้นเหลือ แต่สำหรับหมอดูอย่างอาจารย์อุปการะคงบอกว่าเพราะจะทํากรรมทางด้านนี้ไว้เลยมีพรสวรรค์ด้านศิลปะการดนตรีและการบันเทิงมากหน่อยเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้เธอก็เป็นอันว่าเตรียมรับส่วนหันษาตามไปพรสวรรค์นี่คือของเก่าทักษะความสามารถเก่าๆที่เราเคยสั่งสมไว้ในชาติก่อนหรือเปล่าคะก็คงอย่างนั้นจะเชื่อเรื่องพรสวรรค์บางคนเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแต่เด็กโดยไม่ต้องมีคนสอนหรือสอนน้อยมาก แต่ระหว่างพรสวรรค์กับพรสแสวงจะศรัทธาพรสแสวงมากกว่าเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคนเราทําอะไรก็ได้ขอเพียงมีสมบัติชิ้นเดียวคือความตั้งใจจริงพี่ก็คิดอย่างนั้นความเพียรของมนุษย์เอาชนะได้แม้ดาวเดือนสมมุติว่าชะตาลิขิตมาให้เป็นขี้แพ้แต่ใจยังอยากชนะยังทนสู้แบบยอมล้มลุกคลุกค ล, ลานเอาความเจ็บปวดและน้ําตาเข้าแลกความคืบหน้าผ่านไปหลายเดือนหลายปีเข้าตะบะของคนใจถึงก็แข็งแรงขึ้นแสงชะตากรรมเก่าได้ ลานดาวกระพริบตาปลิปๆห ล, ลอนเกิดมาแบบคาบช้อนเงินช้อนทองไว้ในปากกับทั้งเรียนรู้เร็วเพราะเป็นคนมีปฏิพาณเฉียบคมจึงไม่เคยเจอเรื่องยากที่ต้องพยายามต่อสู้เท่าไหรนักหากชีวิตจะพร่องหรือขาดสิ่งใดก็คงมีเรื่องหนึ่งเดียวคือความรักระหว่างหญิงชายคนรักไม่ใช่สมบัติติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนอย่างรูปสมบัติและคุณสมบัติอื่นๆหล่อนเคยเพียรหว่านทั้งพรสวรรค์และพรแสวงสร้างทั้งสะพานและประตูเวรรอบสนามชีวิต เพื่อเปิดช่องให้ใครต่อใครเรียงหน้าเข้ามาเสนอตัวนับไม่ถ้วนแต่เรื่องความรักจะไปเรียกร้องความชอบธรรมเอากับใครหรือหาผู้ใดมาเป็นคนรับผิดชอบในเมื่อมันไม่เจอของยังไม่ปรากฏความเพียรของมนุษย์เช่นหล่อนจะนํามาใช้ประโยชน์อันใดได้เล่าบางเรื่องถ้าเพียรมากไปก่อนจะชนะชะตาหัวใจก็อาจ ด, ด้านชาเสียก่อนได้เหมือนกันนะคะหล่อนพึมพำเหม่อเหม่อมาวันทารู้ท่าว่าน้องสาวจะวกเข้าเรื่องคนรักอีกก็รีบเบี่ยงประเด็นจ้ะ เธอมีความสามารถทางดนตรีสูงแล้วก็เรียนมาทางนี้ด้วยคิดจะเอาดีในวงการบ้างหรือเปล่าแบบออกอัลบั้มของตัวเองนะ่ะก็มีอยู่ค่ะหล่อนตอบเสียงเฉยเธอคงดังทีลึกนะนั่นแหละค่ะที่กลัวแล้วก็ทําให้ยังยัอยู่ความจริงจะไปแข่งเปีย โ, โนมาเยอะก็มีแมวมองทั้งจากแวดวงดนตรีและแวดวงดารามาท้าพามบ่อยปีก่อนนี้ถึงขั้นรู้จักกับบอสค่ายเพลงใหญ่แล้วและตกลงอย่างไม่เป็นทางการกันด้วยซ้ําว่าขอให้เรียนจบก่อน แล้วจ้าจะทําเพลงกับเขาทําไมต้องยังยั้งเดี๋ยวนี้เห็นศิลปินอายุน้อยที่ยังอยู่วัยเรียนเยอะแยะจะก็เรียนมาทางนี้อยู่แล้วด้วยอาจเพราะใครๆก็บอกว่าจ้าจะต้องเป็นดาวดังที่มีคนกลิสสนานไปหลายปีจ้าเป็นดาวมาตลอดตั้งแต่มัธยมต้นจนมหาลัยปีสุดท้ายจะเบื่อแล้วก็กลัวเพดานดาวระดับต่อไปมันอาจเหงาวกว่าที่กําลังเป็นอยู่หลายเท่าประโยคสุดท้ายกระซิบจากหัวใจหงอยอย่างแท้จริงมาวันทามองน้องด้วยความเข้าใจ ออกกว้างขึ้นตัวเลือกก็มากขึ้นถ้าการบันเทิงเป็นเส้นทางของเธอเธอก็อาจเจอเขาบนเส้นทางนั้นเหมือนจ่ามีสองภาคนาพิเอินยอมรับว่าภาคหนึ่งอยากดังอยากฟู้ง้าหรูหราอยากเป็นเจ้าแม่ถนนบันเทิงที่มีคนคลั่งไปสักสิบปีแต่อีกภาคหนึ่งก็อยากใช้ชีวิตสงบสุขอย่างคนธรรมดาไปไหนไม่มีใครรู้จักเป็นแม่บ้านที่สามีรักบางทีก็สับสนว่าตัวเองอยากเลือกเส้นทางแบบไหนกันแน่แต่เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนธรรมดานะ คุณสมบัติที่เธอมีทั้งหมดทําให้พี่เห็นภาพแม่เหล็กพลังดึงดูดมหาศาลตามหลักธรรมชาติแล้วใครมีคุณสมบัติใดก็น่าจะใช้คุณสมบัตินั้นอย่างเหมาะสมแปลว่าเราต้องไปตามดวงอย่างไม่อาจเลือกหรือคะคงไม่เสมอไปเขาถึงมีคําว่าฝืนดวงไว้พูดกันไงว่าแต่เธอมีทางเลือกสำรองที่จะใช้คุณสมบัติประจําตัวทั้งหลายด้วยหรือลานดาวยักษ์ไหลจะทําทอะไรก็ได้สอนเปียโนสอนขับร้องหรือถ้าอยากทําอย่างอื่น จะว่าจะใช้เวลาเรียนรู้นิดเดียวทำได้แต่เบื่อจะทำในระยะยาวหรือเปล่าเท่านั้นแหละการเป็นคนดังก็มีส่วนเสียเท่าๆกับส่วนดีถ้าจะไม่อยากดังด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ใช่จะผิดปกติหรือแหวกแนวอะไรแต่ตามความเข้าใจของพี่คุณสมบัติสุดขั้วของจ้าน่าจะเปรียบได้กับแรงดันของพลุที่มีกำลังพร้อมจะส่งพลุ ข, ขึ้นฟ้าอยู่ทุกขณะจิตขอเพียงยอมแกะสลักหากจ้าสามารถทนความเย้าวยวนของแรงดันนั้นก็แปลว่าน่าจะมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่พอ เพราะไม่แต่เพียงฝืนดวงตัวเองแต่ยังฝืนความปรารถนาจะเป็นคนสําคัญซึ่งมนุษย์ทั่วไปมีกันอีกด้วยแรงขับดันมีอยู่หลายชนิดนี่คะจะว่าจะรู้จักตัวเองดีดีมากขนาดบอกถูกได้ทันทีว่าต้องการอะไรสิ่งไหนมีความสําคัญก่อนหลังอย่างเช่นถ้าถามเดี๋ยวนี้ว่าจะเลือกทางไหนระหว่างไปเป็นคนสําคัญบนเวทีในสเตเดียมจูคนร่วมหมื่นร่วมแสนกลับมาอยู่ที่นี่เพื่อร้องเพลงให้พี่เอินฟังเพียงคนเดียวจะจะเลือกมาอยู่ที่นี่ มาวันทาสยายยิ้มอำนาจเจตจํานงอันหนักแน่นของคนพูดจริงทําจริงมีผลให้คนฟังปราบปลื้มหล้นอกเพิ่งตระหนักว่าตนเองอ่อนไหวง่ายขึ้นทุกทีลานดาวมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนอารมณ์คนอื่นชนิดยากจะต้านเพียงพูดสองสามคำคนฟังอาจเห็นตนเองมีคุณค่าเกินจริงจนหน้าตกใจทีเดียวอยู่กับลานดาวบางขณะมาวันทาก็เห็นตัวเองเป็นพี่สาวแต่บางขณะก็เหมือนเพื่อนที่เสมอกันและบางเวลาเช่นในขณะนี้ ลนก็สับสนและสะดุ้งไหวอยูหอย่หน่อยที่ตนตัวอ่อนเอียงคอผุดยิ้มพึงใจราวกับได้รับมัทูรสจากชายคนรักกลับบ้านเถอดดึกแล้วมาวันทายืดตัวตรงออกปากไล่ในลีลาอาธรเยี่ยงพี่สาวที่พึงเป็นห่วงน้องลานดาวหันมาทั้งหน้ามองอีกฝ่ายงงงด้วยสัมเนียกการเปลี่ยนแปลงปรุปรับผิดปกติทว่าก็ไม่คิดอะไรมากพยักหน้าอย่างว่าง่ายค่ะสองสาวลุกจากที่มาวันทาเดินมาส่งลานดาวถึงประตูรถ ปราตรีสวัสดิ์ขอบใจมากสําหรับทุกอย่างในวันนี้เออจ้าต้องเป็นฝ่ายขอบคุณพี่เอิญก่อนสิคะอุตสาหเหนื่อยเลือกฝลุดให้แค่นั้นเรื่องเล็กทุกอย่างที่จ้าทำให้พี่เอิญยิ่งเล็กกว่านั้นคะ่ะเพราะเป็นไปเพื่อความสุขส่ขสวนตัวของจ้าเองล้วนๆมาวันทาเหลือบมองเห็นดวงตาดุดประกายรึกกําลังเล็งิ่งมาอย่างตนพร้อมรอยยิ้มเก๋ไก๋บาดใจก็ออกปากไล่ซ้ําเหมือนจะต้องเร่งรีบไปทําอะไรสักอย่างขึ้นรถสิมัวยยืนเป็นหุ่นไล่ากาอยู่ได้ค่ะ ขับใส่เล่ส่งเหลือเกินนะคะพอจ้าไปพี่เอิญก็รีบขึ้นนอนด้วยละ่ะราตรีสวัสดิ์ล้านดาวยกมือไหว้ยอย่างนอบน้อมแถมถอนสายบัวเสริมมาวันทารับไหวและเฝ้ามองอีกฝ่ายขึ้นรถขับจากไปจนรลับตา